เพิ่งพากันตั้งใจทำใจให้เยือกเย็นสบายอย่าทำใจให้วุ่นวายเดือดร้อน <c oughs> ในพุทธศาสนานี้ทรงสอนให้คนทำความสบายให้แก่ตนให้ได้ ทำอย่างไรตนจะมีความสบายใจก็ต้องทำลงไปไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกับอะไรในโลกนี้ความสบายใจนั้นมันจะมีได้ก็พอพระความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องต่างๆ ที่ใจมันยึดมันถือมาแต่ในอดีตก็ดีอนาคตก็ดีนี่แหละเราปล่อยเราวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่งตางๆเหล่านี้ได้มาทำความรู้เท่าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้ความสบายใจ ถ้าไปขืนวิตกวิจาร์ถึงเรื่องอดีตอนาคตอยู่แล้วไม่สบายใจแต่ว่าเป็นธรรมดาของความคิดเมื่อมีจิตมันก็ต้องมีความคิดแต่ความคิดนั้นต้องให้มีสติกำกับ สตินั้นต้องให้กำกับจิตให้คิดแต่ในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นความคิดที่เป็นประโยชน์ตนนั้นก็คือคิดถึงที่พึ่งอันประเสริฐทำอย่างไรหนอเราถึงจะได้ที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนี้แหละทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากทุกข์ ให้ในสงสารนี้ได้มันก็ต้องคิดอย่างนี้เพราะว่าทุกคนนั้นมันตกอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์แต่บางคนก็อาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้ไม่รู้สึกตัวว่าตนอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์อาศัยความหลงความเมาอาศัยตันหามย้อมใจเอา ทำให้ใจนั้นเพลิดเพลินร่าเริงไปกับอารมณ์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นน่ารักใคร่น่ายินดีมีอยู่ในโลกอันเนี้ยจิตไปผูกพันอยู่กับเรื่องนั้นกับรูปเสียงกลิ่นรสอันนั้นแล้วก็เลยไม่รู้จากทุกเสียเลย ทั้งที่ทนเป็นทุกข์อยู่ก็ไม่รู้ว่าทนเป็นทุกข์ น, นี่บุคคลผู้ถูกความหลงความเมาเข้าครอบงมจิตใจแล้วมันย่อมไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เหล่านี้นะดังนั้นนะก็จึงได้เกิดมี ศาสนาขึ้นมาในโลกนี้นะก็เพื่อ ม, มาสอนคนให้สร่างจากความหลงความเมานี้เองนะถ้าไม่มีศาสนานี่เป็นเครื่องสอนใจแล้วคนหลงเมาคล่องอยู่ในโลกอันนี้ไปไหนไม่ได้เลยออกจากโลกนี้ไม่ได้กิตใจอันเนี้ยย่อมเวกเวียนอยู่ในโลกอันนี้แหละ เสวยสุขบ้างเสวยทุกบ้างส่วนบาปมันก็เสวยทุกนั่นแหละเมื่อมันไม่รู้บาปรู้บุญน่ะกีเลสตัณหาอาวิชามันก็จูงให้ไปทําบาปนั่นแหละเช่นอย่างว่าของเสพติดให้โทษต่างๆในโลกที่เขาโคษนากันอยู่นั่นนะมันยังไปหลงซ่องเสพเอาติดงอมแงม จนทําให้ประสาทเสียเสียผู้เสียคนไป <c oughs> อันอย่างนี้นี่มันจะไปโทษใครไม่ได้เรื่องมันนะจะไปโทษคนอื่นว่าเป็นคนอื่นนั่นแหละทําให้เราเสียมาหลอกลวงเราอะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้อง โทษตัวเองนั่นแหละตัวเองหถล่มเข้าไปตัวเองเป็นผู้ไม่ฉลาดไม่รู้จักคิดไม่รู้จักยาพิษเครือบน้ำตาล <c oughs> ดังนั้นเมื่อตนได้รู้สึกตัว แล้วว่าทนได้ถล่าเข้าไปแล้วถอนตัวออกไปก็ยังไม่สายเกินไปก็ยังจะมีชีวิตชีวาดเจริญก้าวหน้าไปได้อยูอ่แม้ความเมาอย่างอื่นก็เหมือนกันเนี่ยมันกระทึงมาแต่ความเป็นผู้ไม่มีสติไม่มีสมาธิอยู่ในใจ ใจนี้เมื่อไม่ตั้งมั่นแล้วมันไม่รู้เลยว่าเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันรู้ไม่ได้เลยเรื่องใดมาถึงเข้าถ้าทนพอใจแล้วเป็นยึดถือเอาเลยแม้ว่ามันจะเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษก็ช่งางก็ยึดถือเอามันไว้สแสวงหามันอยู่อย่างนั้นแหละ คนผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วย่อไม่รู้แม้แต่เหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้เหตุให้เกิดความสุขก็ไม่รู้ไม่มีใครที่จะไปบังคับใครให้ละเหตุแห่งทุกข์ให้บำเพ็ญเหตุแห่งความสุขให้เกิดให้มีขึ้นในตนเรื่องอย่างนี้มันเรื่องบังคับกันไม่ได้ เรื่อนีแต่เพียงที่เหตุผลสู่การฟังดังที่แสดงอยู่นี่แหละผู้ใดฟังแล้วเข้าใจได้ลงมือปฏิบัติตามก็เป็นความดีของกูนั้นไปกูนั้นจะชื่อว่ามีลาบมีบุญวาสนาแต่หนหลังนั้นมาสนับสนุน คนใดฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายหรือว่าเข้าใจความหมายแล้วแต่ขี้เกียจทำตามไม่ปฏิบัติตามมันก็เป็นกรรมของผู้นั้นไปผู้นั้นเชื่อว่าไม่มีบุญที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนมาสนับสนุนศรัทธาจึงได้อ่อนแอท้อแท้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อันอื่นใดนะให้เพิ่งเข้าใจมันลงที่จิตนี้หมดเลยดังนั้นแหละพระพุทธเจ้ายังได้สอนในคนเรานั้นฝึกจิตนี้ให้มันตั้งมัน่นอยู่ในคุณความดี เพราะว่าโลกอันนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วดังที่เคยพูดมาบ่อยๆหวังว่าผู้ฟังก็คงจะรู้นะไม่ใช่มันดีล้วนๆน่ะไม่ใช่มันชั่วร่นล้ว น, ลว น, ลวนโลกอันนีนะ้มันมีทั้งดีมีทั้งชั่วเป็นคู่ขนานกันมาถ้าเป็นคนแล้วก็ มาคขาว่าเป็นคนเป็นคู่เวรกันแหละดีกับชั่วนี่นะเ ป, นนเป็นคนเราก็ไม่ถูกกันทะเลาะกันจองเวรต่อกันคอยแก้แค้นกันคอยทำรายความสุขของกันและกันเช่นนี้นะคร ได้ประสบแต่ความทุกข์นั่นแหละคนเราอ่ะอันนี้ชั้นใดเรื่องดีกับชั่วนี่มันก็เป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร เ, เมื่อบุคคลสร้างความดีขึ้นในที่ไหนองค์ชั่วมันก็แทรกขึ้นมาที่นั้นแหละในเมื่อบุคคลผู้นั้นสั่งสมงกุศลความดียังไม่เต็ม ตราบใดแล้วมันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาขจัดความชั่วออกจากกายวาจาใจนี้ให้ได้ทั้งหมดไม่ได้เลยแต่ว่ามันเบาไปเรื่อยๆถ้าบุคคลทำกุศลความดีไปมากขึ้นไปเท่าใดความชั่วมันก็ลดน้อยถอยลงไปเท่านั้นเพราะว่าดีกับชั่วนี่มันมีนมใจเป็นประธาน ก็สุดแล้วแต่ใจนีมันชอบไปทางไหนเ <c oughs> <c oughs> มื่อใจมันน้อมไปทางไหนมันก็ทาไปทางนั้นแหะมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปทางนั้นถ้น <c oughs> ใจมันชอบไปในขุสนคุณงามความดีเช่นนี้นะมันก็ใช้กายทาใช้วาจาพูดไปในทางที่เป็นบุญเป็นขุศน ก็เรื่องการชอบความดีนี่มันก็เป็นขั้นๆไปฮบางคนก็ชอบแต่เพียงให้ทำบุญให้ทานวัตถุเข้าของไปเท่านั้นก็มีเรื่องศีลก็ไม่ได้ดำริว่าจะรักษาเลย <c oughs> เรื่องภาวนายิ่งห่าง <c oughs> นี่การทำความดีมันก็เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะ <c oughs> พูดถึงมรรคผลธรรมวิเศษก็ยิ่งห่างไกลามากยิ่งนึกว่าตนมีวาสนาน้อยไม่มีทางลรอกที่จะไดะ้ก็เลยไม่สนใจเลยอย่างนั้นก็มีผู้สนใจเพียงแค่กินกินดันทานเท่านั้นมันก็ยังเอาตนพ้นทุกข์ไปไม่ได้ เพราะว่าเมื่อบุคคลไม่สนใจในการรักษาศีลแล้วมันก็ทำบาปอยู่ดีๆนี่เนี่ยเห็นว่าการทำบาปนั้ น, ไ ม, นไม่เป็นเรื่องสำคัญก็มีบางคนนะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ต่างก็หวงชีวิตของตนไม่อยากตายไม่อยากให้ใครมาฆ่ามาเบียดเบียนเลย สัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ดีสัตว์มนุษย์ก็ดีสัตว์เปรตก็ดีเหล่านี้มันรู้จะเกิดมาแล้วก็รักชีวิตของตนหมดอผู้ดใดจะเกิดอยู่ในฐานะเช่นใดแม้จะได้รับทุกข์ทรมานอยู่มันก็ยังรักชีวิตตัวเองมันก็ยังไม่ต้องการให้ใครมาฆ่ามันเช่นอย่างสัตว์สิ่งเดรัจฉาน ที่เกิดร่วมโลกกันอยู่นี่เราเห็นกันอยู่แล้วสัตว์เล่านั้นมันก็เป็นทุกข์ของมันมันเกิดมาแล้วอาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์หากินก็ยากลำบากสัตว์บางประเภทถึงกัน้นใครจะไปฆ่าไปตีมันมันก็ยังวิ่งหนีหรือมันก็มีปีกมันก็บินหนีไปถ้ามันอยู่ในน้ำมันก็แหวกว่ายน้ำหนีไป อันมมนีนะ่แสดงว่าสัตว์ทุกประเภทเลยมันรักชีวิตมันกลัวตายเหมือนกันเลอไม่อยากให้มาใครมาทำลายล้างฐานมันเลยแต่ถึงกระนั้นเน่ะมนุษย์เรานั้นมีอำนาจเหนือสัตว์เหล่านั้นไม่มีเมตตาปราณีมันเลยมีแต่ข่ากับค่าอย่างเดียว <c oughs> เพราะว่ามนุษย์เราถือว่าสัตว์เหล่านี้เป็นทรัพยากรของตนกฎหมายก็ยอมให้มีสิทธิ์เลี้ยงไว้แล้วฆ่าต้มแกงกินอะไรโมนี้นะเนี่ยว่ากฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมันหยอนยานกว่าศีลธรรมกว่าพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ กฎหมายนั้นห้ามฆ่าสัตว์ที่ที่กฎหมายระบุไว้อต้องกต้องขออนุญาตก่อนถ้าจะฆ่าอย่างนี้เช่นช้างม้าวัวควายหมูนี้ถ้าไม่ขออนุญาตก่อนไปฆ่าแล้วผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษปรับไหมติดคุกติดตารางเท่านั้นแหละส่วนสัตว์ที่ไม่กฎหมายไม่ได้ห่วงห้าม ฆ่าก็ไม่ผิดกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นคนเราถึงได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่อย่างนั้น <c oughs> แล้วไม่นึกถึงชีวิตเขาชีวิตเราอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละจะไม่ให้มันเป็นกรรมเป็นเวรอย่างไรเล่า <c oughs> ก็ไปทำลายของรักหงห่วงของของหงเหนเขานี่ แม้คนอื่นเข้ามาทำลายชีวิตเราเราก็ยังป้องกันตัวหาทางหลีกเลี่ยงเอาตจนสุดขีดเมื่อหลีกไว้พ้นแล้วก็จึงยอมตายนี่ลองคิดดูให้ดีอันนี้เหลยคนเราไม่ไม่ได้พิจารณาไม่อบรมจิตให้ตั้งมั่นแล้วมันก็มองไม่เห็นเลยว่าทำอย่างนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมไะ ตลอดถึงทรัพย์สมบัติเขาของเงินทองของคนอื่นของใครหามาแสนทุกแสนยากแสนลาบากใครก็หวงอ่ะลูกใครเมียใครผัวใครใครก็หวงอ่มูเรียนะเพระนั้นยังไปหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนไปชอบไปโกงไปจี้ไปปล้นเอามา นี่เรีย ว, ว่าไปไปแย่งเอาของรักของเขาสามีของเขาเขาก็รักภรรยายอมรักสามีผู้เป็นสามีก็รักภรรยาของตนเท่ากับชีวิตจิตใจแต่แล้วคนบางคนก็ยังไปหลอกลวงภรรยาคนอื่นเขาไอฟฟ้แบบพืชผิดปเวณี เดี๋ยวว่าไปล่วงเกินภรรยาของคนอื่นด้วยทางประเวณีอันทุกคนย่อมรักคกคนสัตว์คนจริงไม่มีใครเลยที่จะชอบกับความเท็จกับเรื่องไม่จริงแต่แล้วบางคนก็ยังไปหลอกลวงเขาให้เขาเข้าใจผิดให้หลงผิดเป็นชอบไป เพราะวาจาอันไม่จริงของตนถ้าไม่เขาเสียทรัพย์เสียสินเพราะวาจาของตนก็มีนี่จะมาให้มเป็นบาปยังไงแล้วไปวาจาคําพูดอันนั้นมันพูดออกไปแล้วทําให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เนี่ยเนี่ยทุกข์นั้นมันก็มาถึงตนแะในภายหลังนะตนเกิดไปชาติใดพบแล้วก็ถูกแต่เขาหลอกลวงชอบโกงเอาทรัพย์สมบัติอยู่งนั้นแหละ <c oughs> เพื่อของเสพติดต่างๆหมูเนี่ยไอยผู้ที่ต้นคิดผลิตของเสพติดให้โทษเช่นสุราเมรยัยฟินเฮโร อ, อีนกัญชาอะไรมูนี้ผลิตไปขายมูนี้มันก็รวนตั้งแต่จิตคิดเป็นอกุศลไม่มีเมตตามนุษย์เหมือนกันเลย ก็แต่ได้เงินมาใช้สอยแล้วก็พอแล้วผลิตขึ้นมาคนผู้หลงผู้เมาผู้ไม่รู้จักว่านี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไปหลงซ่องเสพเข้าไปติดงอมแงมแล้วก็มีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ใช้ใจไปในการซื้อเอาของเสพติด บ, บริโภคมด หมดเนื้อหมดตัวผู้มีลูกมีเมียก็ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนอันมูนี้ต้นตอมนันแท้ๆมันก็มาจากคนผู้ผลิตของเสพติดนี้แหละอย่าไปว่าไม่มีโทษนะผู้ผิตของเสพติดเนี่ยแล้วลองลงมาก็ผู้ผู้เสพผู้ท่องเสพของเสพติดเหล่านั้นมันก็ ถ่ายทอดความทุกข์ให้แก่กันและกันเป็นทอดทอดไปอย่างนี้แต่ว่าข้อสำคัญแท้ๆมันก็อยู่ที่ผู้บริโภคของเสพติดนี้แหละผู้บริโภคของเสพติดนี่มันไม่ฉลาดอ่ะไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้ตั้งมัน่นตกเป็นทาตแห่งตัณหาต ก, ตกเป็นทาตแห่งแห่งรสชาติของเสพติดเหล่านั้น เพราะฉะนั้นถึงได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อภายหลัง <c oughs> นี่แหละพูดถึงความชั่วนะทุกคนให้พากันศึกษาให้รู้ให้เข้าใจโลกอันนี้นะความชั่วมันก็มีความดีมันก็มีอย่างว่านั่นแหละเช่นอย่างผู้ที่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจ อย่างแรงกล้าอย่างนี้มันก็ไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นดังกล่าวมานั่นแหละไม่ไปเบียดเบียนทรัพสมบัติของคนอื่นเขาตนหามาได้เท่าไรก็บริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแถมหามาได้มากพอจะเฉลี่ยเชียจานผู้อื่นก็แบ่งให้แก่ผู้อื่นบ้างนี่คนคนใจบุญนะแล้วก็ไม่ไปคิดที่จะไปชอบ พ่อกับสามีหรือภรรยาของคนอื่นโดยมานึกถึงว่าถ้าตนไปทำเช่นนั้นเช่นอย่างว่าผู้หญิงถ้าไปล้อลวงสามีคนอื่นเขาภรรยาเขารู้เขาก็จะเป็นทุกข์ใจมากถ้าเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็ไม่คิดที่จะล้อลวงภรรยาคนอื่นในทางะเวณีก็ น, นึกถึงว่า สามีเขารู้เขาก็จะเป็นทุกข์เดือดร้อนจองกรรมจองเวรกันไม่รู้จักจบสิ้นอไอ้ผู้มีเมตตากรุณาอยู่ในใจอย่างแรงกล้าดังกล่ามนี้จักไม่ทําชั่วเหล่านี้เลยและแล้วก็จักไม่ใช่วาจาไปพูดโกหกหลอกลวงใครต่อใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเอแล้วก็ตนเองก็มองเห็นเลยว่า ของเสพติดไถ่โทษต่างๆในโลกนี้มันล้วนแต่ทำให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งในโลกนี้โลกหน้าท้งนั้นเลยคนเสพของเสพติดไห้โทษแล้วอย่างนี้มันจะทำความดีอะไรก็ยากถ้าไม่ละถ้าไม่ถอนตัวออกจากของเสพติดเหล่านั้นนะไม่มีเงินทองจะทำบุญให้ทานอะไรเลย ได้เงินได้ทอมาแล้วคนนึกถึงแต่ของพนันแหละอย่างนี้นะมันจะได้ทำความดีอะไรนะคนติดของเสพติดอ่ะเลยทำชีวิตให้อับเฉาเหมือนพระจันทร์ข้างแรมไม่สามารถจะทำคุณงามความดีอะไรได้เพราะฉะนั้นขอให้พากันนึกดูให้ดีคนแล้วนะ นึกดูให้ดีอย่าให้ชีวิตนี้มันเป็นหมันเสียเปล่าเพราะว่าบุญกุศลตกแต่งให้มาแล้วไม่ใช่บาปแต่งนะถ้าบาปแต่งแล้วมันจะให้เป็นคนขี้กระจอกงอกห้อยเอใบว่ า, าเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดามีอัยวะร่างกายอไม่สมบูรณ์มีร่างกายวิบัติขัดข้องไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายอันนั้นมาทําความดี ต่างๆได้เลยนี่การที่เรามีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้นะมันเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรกผลธรรมวิเศษแล้วดังนั้นอนะ่ะอย่าพากันปล่อยให้ร่างกายนี่มันสุดโทรมแตกดับไปเสียเปล่าทั้งที่ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงร่างกายอันนี้นะ มันเป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นอนัตตาบอกไม่ได้บังคับไม่ได้จิงอยู่ร่างกายนี้ไม่เที่ยงกว่าจิงหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะแปรปวนแตกดับทันทีเลยเพอเกิดมาแล้วนะมันยังมีบุญมาอุปถัมภ์บำรุงให้เป็นไปอยู่พอที่เราจะทํากุศลคุณงามความดีสืบต่อได้อยู่เราอาศัยบุญเก่านั่นแหละเป็นทุนนะ่ะ สังสมเอาบุญใหม่อบุญเก่าก็ได้แก่อัตภาพร่างกายนี่แหละมีร่างกายนี่มาสมบูรณ์พูนศุกแล้วแล้วจิตใจก็ดีก็ไม่เป็นคนหลงคนเมาเกินไปเพราะว่าบุญกุศลมาเตือนใจให้ระลึกถึงขุดตนของตนได้นี่แะเราอาศัยบุญเก่าเหล่านี้แหละ สั่งสมบุญใหม่เพิ่มเติมกันเข้าไปเรื่อยๆ เ, เราอาศัยใจที่ฉลาดนี่แหละหาหนทางหลีกเว้นจากบาปความชั่วทั้งหลายดังกล่าวมาให้ได้เมื่อใจนี่ไม่มีบาปไม่สั่งสมบาปแล้วมันก็สั่งสมแต่บุญคนมีบุญมากใจก็สงบตั้งมัน่น เยือกเย็นนี่เมื่อใจตั้งมั่นแล้วมันก็ต้องมีปัญญาแหละคนเรานะ่ะก็รู้จักทุกูอรู้จักความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้เป็นทุกุรู้จักว่าความโศกเศร้าเสียใจพิไรลําพันธต่างๆหมู่นี้มันเป็นทุกข์เ <c oughs> มื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ทําใจให้เป็นทุกข์ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจอะไร ใช่ปัญญาสอนใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปเหตุอันใดที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ใจก็ปล่อยวางมันเรื่อยๆปัญญาก็สอนใจให้ปล่อยให้วางมันไปไม่ต้องไปโศกเศร้าเสียใจกับสิ่งใดปล่อยวางแล้วใจมันก็เป็นกลางพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยปัญญาไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งใด ไม่ถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตน <c oughs> นี่เมื่อขันห้านี่มันยังมีอยู่บุญกุศลอย่างอุปธรรมบำรงอยู่ก็ใช้ขันห้านี่นั่งสมาธิภาวนาเจริญสมถาะวิปัสสนาดังที่เน้นํำพัมสอนมานี่แหละออทำใจให้สงบลงไปชำระกายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทิน ให้ได้เมื่อใจสงบสะอาดแล้วนี่เจริญปัญญาพิจารณาสังขาร น, นามลูกให้เห็นมันเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่มีรูปใดานามใดที่จะเที่ยงจะยั่งยืนอยู่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปถือมั่นมันว่าของของเราไว้ทําไมถือมั่นไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆเพราะจะถือมั่นไว้ยังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่ให้อถึงเวลามันแปรปวนมันก็แปรปวนไปถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกดับไปอเมื่อเป็นเช่นนี้นะเราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ปลงให้วางมันลงเสียนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นะ นี่ลหละมันจะเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้นะเมื่อปรงวางขันห้าในลงในปัจจุบันนี้แล้วจิตนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์แหละวันนี้ปัจจุบันนี่แหละไม่เป็นทุกข์เป็นโศด ก, กับอะไรทั้งหมดเมื่อขันห้านี้ตนก็ยังปรองยังวางลงได้แล้วทรัพย์สมบัติภายนอกนั่จะปรงวางไม่ได้จะเป็นจะได้จะมีที่ไหนล่ะ แต่ขันห้าอันตนอยู่ใกล้ชิดอันรักที่สุดเนี่ยยังปล่อยยังวางได้ครับเงินทองเข้าของอะไรท อ, อะไรภายนอกนู้มันก็วางได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเหละการหักภาวนาสมาธิปล่อยวางขันห้านี่จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนผู้ต้องการความพ้นทุกข์ภายในสงสารที่จะต้องภาคเพลียนพยายาม บำเพ็ญให้เป็นไปในชีวิตของตนของตนดังแสดงมา